ขอความสุขความเจริญจงบิณฑ์ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปทุมกาลังนำเสนอเรื่องพระสารีบุตรเทราสืบต่อไปวันก่อนได้พูดมาถึงช่วงที่พระสารีบุตรได้กล่าวว่ากรรมที่เราได้ทำไว้ ในการอนหาประมาณม่ได้แสดงผลในอัตภาพสุดท้ายนี้แก่เราแล้วเราเพากิเลสทั้งหลายได้แล้วเหมือนกับมังลูกสอนที่พ้นดีแล้วเะนั้นเรานั้นเมื่อแสวงหาอมตะธรรมที่ปัจจัยภรุงแตกไม่ได้ดับสนิทไม่หวั่นไหวเลือกเฟ้น จเจ้าฤาษีต้องปรุงอยู่จึงได้ต้องเที่ยวไปในพุัต่างเอขอขนี้เป็นการแสดงโครงสร้างของสังสารวัตรว่าตราบใดที่มนุษย์เรายังไม่สามารถที่จะดับกิเลสให้สนิทได้จิตใจยังหวั่นไหวต่ออารมณ์โลกอยู่ ก็ต้องท่องเที่ยวไปในสงสารวัดแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะปรุมสั่งสอนนำตวเด็กให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสก็แต่ละพบแต่ละชาติอย่างที่ท่านเล่าไว้ในชาติที่พบกับพระอนุมาทัศนสีสมาสัมบุทตเจ้า มาถึงชาติที่มาพบพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันนานเรามากๆไม่รู้จะนานยังไงคือทำให้เรามองไปว่าโลกเนี่ยมันก็เรียกว่าหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้ไมายความว่าโลกเกิดเมื่อไรเนี่ยเราก็หาคำตอบไม่ได้ โรคจะแตกดับไปเมื่อไหร่นี่ก็หาคำตอบไม่ได้เพราะว่าเป็นอดีตการที่นานไกลเอามากมากซึ่งกหมายความว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์ทางจักรวาลวิทยาในปัจจุบันตำรานเหล่านี้ยังต้องศึกษาค้นคว้าอีกเยอะ แต่รู้ธราศาสนานั้นได้ข้อยุติแล้วเพียงแต่ว่ามันก็นำมาเสนอได้ไม่มากเพราะว่าเรื่องมันผ่านไปแล้ววีลาชีวิตของคนก็กลายเป็นบทเรียนนี่เราเรียนได้ตลอดและในขณะที่เป็นลีลาการ เคลื่อนไหวของสัตว์ทั้งหลายอยู่ในทังสารวัตรมันก็จะได้สะท้อนถึงการเก็บการสะสมสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีเอาไว้ภายในใจส่วนไม่ดีเราเรียกว่าอาสวะสวนดีก็เรียกว่าบารมีแล้วก็สร้างสมลักษณะนิสัยอัตยาสัย สแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่แตกต่างกันแต่ตัวอย่างของพระสารีบุตรนั้นถึงสังเกตว่าท่านพอเข้าสู่ประแสะแล้วเนี่ยชีวิตมันอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างนิ่งคือหมายความมาเวียนว่ายได้เกิดอยู่ในสังสารวัฏจริงแต่ก็เกิดเป็นพระเจ้จาจักรพรรดิ เป็นจอมเทพเป็นพระราชาเป็นมหาเศรษฐีมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยไม่เดือดร้อนอะไรแล้วก็อยู่ในฐานะเป็นคนระดับนำของสังคมจนมาถึงปวดตอนแรกก็แก่งไปน่อยหนึ่ง แต่ปรการต่อมาท่านก็เป็นอักษส า, าวก็คือรองมาจากพระพุทธเจ้าทีเคือถ้าเรามองในกระบวนการของกรรมที่จาแนกแบ่งแยกคนให้มีความแตกต่างกันทางในแต่ละวันแต่ละวันที่จริงแต่ละขณะแต่ละขณะมันก็มีความสมเหตุสมผลที คนมีความยิ่งหย่อนแตกต่างกันทางในด้านเศรษฐกิจทางในด้านสังคมทางในด้านการเมืองทางในด้านพัฒนาการทางจิตทางในด้านการศึกษาเพราะต้นทุนเราสะสมมาต่างกันอย่างหนึ่งเนะี่ยฮะอย่างหนึ่งคือในปัจจุบันเนี่ยคณะของความคิดแต่ละคณะเราก็แตกต่างกัน และความเสมอภาคเนี่ยมันเสมอได้ในบางเรื่องเจนดมาสิทธิเสมอภาคกันการระดับการเปิดโอกาสให้เสมอกันแต่ว่าพอเอาควจริงเราก็ถูกจํากัดด้วยตัวของเราเองเจ็ดก็เปิดโอกาสทางการศึกษาให้คนสามารถเรียนจบอะไรก็ได้เขาไม่ได้ว่ากัน เขามีหลักสูตรเขาไปรุงเรียนเขามีครูบาอาจารย์เขามีการบริหารการจัดการอยู่ในส่วนต่างๆของโลกแต่เราก็ถูกจำกัดด้วยฐานะทางเศรษฐกิจฐานะทางสังคมแล้วก็ระดับของ i อคแล้วก็แตกต่างกันอีกรือ ถ, ถ้าเรามองในโครงสร้างตรงนี้ เราจะเด่นชัดในเรื่องกรรมว่าเราก็ทํากรรมไว้ท่าเนี้ทํากุศลกรรมไว้เท่าเนี้เราก็สมควรแก่เหตุที่จะได้รับผลของกรรมแต่ทีนี้อย่างที่เคยพูดมานานแล้วว่าอาการของกุศลกับอกุศลเนี่ยบางบางทีอาการขององกุศลระเบียดระมัยกว่านะ พูกเสียแสงพวกหลอกลวงเพราะมา ย, ยาพวกเจ้าเล่พวกโอวดประเภทที่เขาเรียกว่าฤกษสีกินเฮีย่ยเนี่ยเพราะนันทำให้คนหลงได้หลงเคารพนับถือคนเหล่านั้นได้ตลอดลเวลากลับไปทิลา ย, ยังไม่ออกในการยกย่อง สันเซิญจากข้างนอกมันจึงไม่ใช่ข้อยุติว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือคนไม่ดีโดยการตำหนิจากข้างนอกก็ไม่ใช่ข้อยุติว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีเพราะเขาดูที่อาการที่เขาแสดงเป็นรูปแฟชั่นโชว์แต่ถ้าเราดูที่คุณธรรมข้างใน หมายความมาคนประจักษ์แจ้งแก่ใจถึงความคิดจิตใจกันตัวเองและรู้จักข้างไหนทำไมเรามองเลยไปยนถึงอาการของศีลสมาธิปัญญามันมีความชัดเจนเลยอาการของศีลเนี่ยมันต้องประจักษ์ในตัวเองหรือคนข้างนอกมาตัดสิเนเราไม่ได้ อาการของธรรมะก็อีกแหละการทำการพูดกับการคิดในสอดคล้องกันหรือเปล่าอาการของปัญญาเรจะต้องศึกษาจะต้องสนทนาจะต้องซักถามสอบถามมีการอาาธิบายชี้แจงกันก็ค่อนข้างมากนะเพราะบางทีมันก็ใช้วิธีการในการท่องจำมา ก็พูดได้ในเรื่องเหล่านะั้นก็สรุปว่าพูดไปพูดมาหมาสมุดสุดสุดเลกหล่นคนนาสายดิ่งทิ้งทอนมาอย่างได้เขาสูงอาจวัดว่ากําหนดจิตมนุษย์นั้นสา ย, ยากแท้อย่างถึงคนบางคนเราเข้าใจว่าเป็นคนดีแต่ถามมาเราสัมผัสด้วยตัวเองไหมเราก็ไม่เคยสัมผัส เพียงแต่ว่าเขาพูดประดี๋ยวเวลานี้เกิดมีกระบวนหน้ามาเกิดมีมือปืนรับจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆบางทีก็โฆษณาตัวเองบางทีก็ลูกน้องช่วยโฆษณาบางทีก็จ้างหนังสือพิมพ์จ้างสิ่งพิมพ์ไปข่าวอินเตอร์นอกอินเทอร์เน็ตอะไรอะไรโอ้ยกลายเป็นกระแสข่าวลือ โดดเด่นดีดังอย่างนั้นอย่างนี้เรารดบความข้อมูลด้านเดียวอ่ะแต่เราก็ไปตัดสินใจเชื่อตามที่ข้อมูลตอนนั้นมันบอกแต่เราไม่ได้ศึกษาภูมิหลังของคนเหานั้นทีนี้เรามองพระสารีบุตรเราจะเห็นว่าตอนที่ท่านเป็นดาวบุตเนี่ยเอาขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านก็ค่อนข้างจะมั่นใจแต่ว่ายังไม่ปรุงใจ้องตรวจสอบไนตรวจสอบในส่วนพระพุทธสรีระนะตรวจสอบในส่วนประไทยมันก็ไปได้ตรวจสอบที่มาบริษัทลักษณะทั้งสามในสองประการก็เห็นว่าส่ประกอบด้วยมาบริษัลักษณะสามสองประการก็มั่นใจ แต่ก็อีกแห ล, ละลักษณะสามสองประการเราก็ไม่รู้คนรู้สักกี่ค น, น, นในโลกที่จะสามารถวินิจฉัยว่าท่านผู้นี้เป็นพระพุทธเจา้าหรือไม่เป็นพระพุทธจเทธจา้าเนี่ยจะมีสักกี่คนแต่รู้าจาักง่ายคือเราพิสูจน์ที่พระธรรมพิสูจน์ที่ธรรมะที่ทรงแสดงสั่งสอน ไม่ต้องเห็นรูปร่างหน้าตาไม่ต้องมีหมาปริสลักษณะอะไรหรอกคือดูเฉพาะคำสอนก็พอแล้วแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าคำสอนระดับนี้คนพูดไม่ใช่ธรรมดาจะต้องลึกซึ้งมากเข้าถึงได้มากคือนัยยะของคำกล่าวเนี่ยเราจะพบว่ามันคัดค้านไม่ได้อะ เราอ่านหนังสือเป็นนั้นมากที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอ่านไปก็นึกคานไปอ่านไปก็นึกคานไปแม่ระดับคำพร์นะฮะแม่ระดับกฎหมายแม่ระดับรัฐมนูลบางที่เราอ่านไปก็รู้สึกขานไปว่าเอ๊ะมันนี่มันบัญญัติไปได้ยังไงทำไมจะต้องบัญญัติอย่างนี้เราจะให้ปฏิบัติอย่างไรทีนี้ข้อความต่อไปเนี่ย ท่านบอกว่าคนเป็นไข้พึงสวงหายาแก้ไข้ต้องสะสมทรัพย์ไว้ทุกอย่างเพื่อพ้นจากความป่วยไข้สันใดเราก็สันนั้นเหมือนกันสแวงหามตบทอันปัจจัยปรุงแต่ไม่ได้ดับสนิทจุจะได้ออกบวชเป็นฤาษีห้าร้อยครั้งติดต่ อ, อ ก, กันเราเพียรพร้อมด้วยชดาและภาระนน่งห่ม หนังเสืออย่างดีได้ถึงที่สุดแห่งอภินยาแล้วก็ไลยไปสู่พรหมโลกจะสมบารมีไม่เบานะห้าร้อยชาติต่อเนื่องกันบวชเป็นฤอษีแล้วไม่ใช่ฤอษีเล็กๆบวชเป็นฤอษีระดับได้อภินยาอภินยานี่ก็เรียกว่าระดับโลกิยะมันก็สูงสำหรับมนุษย์มากนะ ก็เรียกว่ายากกว่าปีนบันไดสว่างอะไรยากเหมือนปีนบันไดสว่างก็มีประเด็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือคำว่าอมตะบทคือบุแห่งธรรมที่จะนําผู้สัมผัสให้ไม่ต้องตายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะเหตุปัจจัยให้เวียนว่ายตายเกิดนั้นได้ดับสนิทแล้วทีนี้ถ้าก็ อธิบายต่อไปว่าความบริสุทธิ์ในลัทธิภายนอกไม่มีเว้นจากพระาศาสนาของพระชินเจ้าศาสตร์ผู้มีปัญญาบางเหล่าย่อมบริสุทธิ์ที่ได้ย่อมไม่สุดได้ในาศาสนาของพระชินเจ้าฉะนั้นเราจึงไม่นำตัวเรานี้ผู้ต้องการประโยชน์ไปในลัทธิภายนอกเลย เราสแสวงหามาตะบทอันปัจจัยปุ่งแตกไม่ได้เชี่ยวไปในลทัทิที่ผิดคือหมายความว่าโดยการรับรู้ของท่านเนี่ยโดยการรับรู้ของท่านที่สะสมอ บ, บรมมาว่าไอ้จิตใจที่บริสุทธิ์มันไม่มีหรอก ในลที่คำสอนนอกศาสนาของพระพุทธเจ้าปชินาเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าผู้ทรงประสบชัยชนะต่อสัพพิกเกเรต ข, ขันเองไม่ได้ต้องการนะแต่ว่าตอนไขว่คว้าสแสวงหามันก็ผิดผิดถูกยูก่แต่ว่าในพระเา้าต่างๆที่ท่านบวชเป็นฤาษี แล้วเรามองย้อนกลับไปว่าเออพระสาริบุตรเนี่ยไม่มีข่าวว่ามีปัญญาไม่มีหลักฐานเลยว่ามีบุตรปัญญามีน้องชายสามคนมีน้องชายสาวสามคนแล้วก็มีหลานชายก็บุตรหมดบุตหมดทั้งพระษาริบุตรน้องสาวน้องชายแล้วก็หลานชายในบวชหมด หมดครอบครัวโดยทิ้งสมบัติมหาศาลเอาไว้ให้แก่แม่คนเดียวต่อมาแม่ก็ได้เป็นมระโสดบันถือว่าเป็นครอบครัวพระอราหันต์แล้วก็ไปไปถึงตรงนั้นอีกเราเสื่อเครียบุเพกะตะปุญญาตามีบุญได้กระทำไว้แล้วในการก่อนแล้วก็บุเพสั น, นิวนัต คืยการอยู่ร่วมกันมาในชาติพบก่อนโดยมีศีลเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจารค่าเสมอการปัญญาเสมอการบัดนี้จึงพบครอบครัวพระอราหันต์ครอบครัวพระพรุทธเจ้าก็เป็นครอบครัวพระอราหันต์ครอบครัวปัสส า, าระบุตรก็เป็นครอบครัวพระอราหารันต์ แต่ว่าครอบเพื่อนื่นไม่ค่อยรู้รายละเอียดว่าก็มีครอบครัวหนึ่งกี่คนอย่างครอบครัวปราโนนก็มีองค์เดียวครอบครัวพานรุตก็มีอยู่สองสามมีสามคนมีพี่ชายมีน้องสาวแล้วก็ตัวท่านท่านก็ได้บวชองค์เดียวแต่ฝ่บุญฝ่กุศลด้วยกัน ฝ่ายบุญกุศลมาด้วยกันแต่การต่อไปท่านบอกว่าคนที่ต้องการแก่นไม้แต่ต้นกล้วยแล้วผ่าออกก็จะไม่พึงได้แก่นไม้ในต้นกล้วยนั้นแท้จริงต้นกล้วยนั้นเป็นของว่างจากแก่นชั้นใดคนที่เป็นฤาษีจำนวนมากในโลกนี้ก็ชั้นนั้นมีความเห็นต่างกัน พวกเดร์ธีเป็นผู้ว่างจากอสังคตะบดเหมือนต้นกล้วยว่างจากแก่นฉะนั้นเมื่อถึงพบสุดท้ายแล้วเราได้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพรหมเราละทิ้งพวกกสสมบัติเป็นอันมากแล้วออกบวชเป็นบรรพชิตนี้ก็คือในเผ่าพันแห่งพรหมก็คือเป็นวันณพราหมะนะฮะเป็นวันนาพราหมณ์เป็นบุตรของ นายบ้านอุปติสคามจากนั้นท่านก็กราบทูลกราบทูลพระพุทธเจ้านะว่าข้าพรงอยู่ในสำนักของสันชัยนามว่าพรามนามว่าสันชัยผู้เป็นนักปราสทสงจำมนรูดจบไตรเพศกระแตพระมหาวีระเจ้าพรามชื่อว่าอัศชิ สาวกของพระองค์ผู้เสมอเหมือนไอย่าติผู้มีเดชรุ่งเรืองเที่ยวบินทบาทในการนั้นมายความมาเรื่องนี้มาถึงตอนที่พระพุทธศาสาบุตรพระโมคคัลลานะและบริวารสองรห้าสิบรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเวฬวรนเพราะในข้อความเราอ่านเนี่ยพวกนี้มันอยู่ในพระคาถาพระคาถาที่ท่าน เปล่งแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าเป็นฉันทะลักออกมาส่วนในพลละความก็ก็ตัดออกไปอยู่ไม่ได้พูดแล้วท่านก็เล่าว่าท่านได้พบปราศชิข้าไรหัวเห็นองค์พระมหานาคนั้นผู้มีปัญญาเป็นมุนีมีจิตตั้งมัน่นในความเป็นมุนี มานาคนั้นเป็นชื่อบางทีเรียกพระพุทธเจ้าก็มีนะก็เรียกพระอราหันต์ก็มีแล้วก็เรียกต้นไม้ก็มีเรียกนาคก็มีเรียกช้างก็มีคือคือชื่อชื่อนาคเนี่ยเรียกเยอะแล้วก็มีจิตสงบระงับผ่องใสนี่เป็นอาการอย่างหนึ่งของพระอราหันต์ที่สามารถสังเกตได้ คือว่าหน้าตาผิวพรรณมันผ่องใสแล้วก็จิตใจที่สงบเนี่ยมันก็ดูไม่ได้หรอกเราไม่รู้ว่าจิตสงบหรือไม่แต่ว่าอาการข้างนอกเนี่ยมันสะท้อนมาจากจิตที่สงบก็ถ้าไม่รู้ว่าท่านมีจิตสงบเหมือนก็ดอกปฐุมชาติที่ที่บานดีแล้วฉะนั้น จากนั้นถ้าก็เล่าว่าครั้นข้าโรงเห็นท่านผู้มีตอนอันฝึกดีแล้วมีจิตบริสุทธิ์ผู้องค์อาจประเสริฐมีความเพียรนิธรรมเยอะนะฮะมีตอนอันฝึกดีแล้วหมายความว่าฝึกมาได้สูงสุดฝึกด้วยระบบของศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงฝึกมาก็คือองค์พระอัสสชิ พระจิตท่างก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์มันไม่มีปัญหาอะไรในใจนะคนที่หวาดหวั่นพลั่นพึงหวาดกลัวประมาณเนี่ยมันแสดงว่ามีปัญหาอยู่ข้างในมีกิเลสมากมีความลับที่จะต้องปกปิดมีบาประกรรมที่ได้กระทาเอาไว้จนสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง อันนี้ก็ไม่องอแต่มีความเพียร น, นี้เป็นเรื่องธรรมดานะคือหมายความว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านอยู่อย่างพูดตื่นแนนอนในแง่ของความจริงท่านไม่ต้องทําอะไรก็ได้แต่ไม่ทําไม่ได้เพราะว่าจิตปนาณอนุครโลกท่านต้องเดินจงกรมท่านต้องทํา กิจกรรมต่างๆที่เป็นงานของพระตทำปาติโมกข์ทำอะไรเหมือนกันหมดเลยเพื่อให้เป็นเนติแบบแผนของอนุชนรุ่นหลังได้ถือตามปฏิบัติตามปฏิปทาของท่านอบรมแนะนำสั่งสอน แต่ว่ารูปแบบของการแนะนําสั่งสอนเนี่ยไม่ค่อยของเรามันมีรูปแบบทุกวันมันมีรูปแบบเราก็ไปสร้างกันจนมีรูปแบบมีพิธีรีตองต่างต่าพระเจเทศโยมก็ต้องพร่มมาแล้วต้องขึ้นนโมต้องกล่าวคาถาแล้วก็ว่าเดินไปตามโครงสร้างของการเทศเก็เรียกว่าเทศแบบครู เราไม่เท่แต่อย่างนั้นเขาถือว่านอกครูทีนี้บางทีเนี่ยมันไปกําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้มากคือเรื่องมันไม่น่าจะต้องพูดยาวหรอกแต่ว่าท่านกําหนดเอาไว้ว่าต้องอธิบายให้ถึงนิพานสมัยหนึ่งนี่ต้องอธิบายให้ถึงนิพานนเพราะบางทีเนี่ยจัดฉันเพจนแล้วท่านยังไปไม่ถึงเลย ท่านก็ไม่กล้าลงที่ก็ยุ่งเหมือนกันอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ไม่มีรูปแบบไม่มีรูปแบบบางทีก็สั้นนิดเดียวสองมัก็มีอ่าทัดเดียวก็มียาวๆก็มี แต่ว่าถ้ายาวๆอย่างนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดกับคนประเภทที่เรียกว่าผู้รู้เรื่องเจ้าว่าพระเทราประโมคาลารนาะพระสารีบุตรท่านก็สอนวิกสุทธะก็สอนด้ยาวๆเพราะว่า ถ้าเ่านั้นมีความใส่ใจสนใจที่จะฝังทีงนี้เรื่องบางเรื่องคนมันไม่พร้อมมันก็พูดจะยาไม่ได้ดอุไรสั้นๆเอาแต่ทั้งหมดถือว่าเป็นการเป็นธรรมกถาเป็นการเทศเป็นการแสดงแต่ท่านท่านก็บอกว่าท่านผู้นี้คงจักเป็นพระรหันต์ แต่ผู้นี้มีระยาบทน่าเลื่อมใสมีรูปงามสำรวมดีแล้วคงจกเป็นผู้ฝึกฝนแล้วในอุบายเป็นเครื่องฝึกฝนอันสูงสุดเป็นผู้เหน็นนมตรบทอย่างนั้นเลยเราพึงถามท่านผู้มีใจยินดีถึงประโยชน์อันสูงสุดหากเราถามท่านแล้ว ท่านจะตอบรให้เราทราบในการนั้นเราจะสอบถามท่านอีกข้าโรงได้ติดตามไปข้างหน้าข้างหลังท่านซึ่งกมลังเชี่ยวบินถบาทจุ่ราคอยโอกาสที่จะสอบถามถึงอามาตะบทนี่ก็เป็นการเล่าตอนที่ท่านพบที่จริงก็เคยเล่ามาแล้วนะฮะแต่นี้ท่านมาเล่าพระพุทธเจา้าเพราะข้อความก็ทำนองเดียวกัน เพียงแต่ว่าข้อความของท่านเป็นฉันทะลักก็มันก็เดินเรื่องแบบฉันทลักณ์ตามโครงสร้างของทีฆาลสาคารุาารลาภุอก็เดินไปแต่วเนื้อหาสาระแล้วก็คือกันว่าข้าพระองค์ไปหาท่านซึ่งอยู่ในระหว่างถนนแล้วถามว่าข้าแต่ท่านผู้ในระทุกผู้มีความเพีย ท่านมีโคดอย่างไรท่านเป็นสิทธิ์ของใครท่านผู้อันข้าพระองค์ถามถามแล้วก็เป็นผู้ไม่ขั้นขามดังพญาไกรสอนราชสีได้พยากรณ์ว่าลูกอาอบุโสพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกเขาเจ้าจเป็นสิทธิ์ของพระองค์ท่าน คือในหนังสือพุทธวัติเนี่ยบอกว่าตามไปจนถึงพระสศชิบินธบาทเสร็จแล้วแล้วก็ไปนั่งริมน้ำก็เตรียนจัดฉันอาหารการอุปติสสะปฏิภาชโชก็เข้าไปปฏิบัติก็หลังจากปฏิบัติอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรียนถามแต่ทีนี้ข้อความเนี่ย การเรียบเรียงกับการเล่าจากประสบการณ์เนี่ยมันก็มากน้อยแตกต่างกันโดยเห็นว่าตรงนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยมันแสดงอะไรแสดงให้เห็นว่าชมพูตวีตนยยุคนั้นติดตามข่าวการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า เรืองแห่แง่ของความจริงวัาระยะเวลา35ปีที่พระโพธิสัตว์อยู่ในเพศคารวาส29ปีอยู่ในเพศนักบวช6ปีเนี่ยข่าวการอุบัติของพระมหาบุรุษมันต้องแพร่กระจายไปคนก็รอคอยว่าเจ้าชายนี้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือจะเป็นพระพุทธเจ้า คนบางคนก็เชื่อมั่นไปเลยนะว่าองค์เนี้ยเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบางคนก็รอคอยนี่ก็สแสดงว่าข่าวนี้มันเป็นเป็นการสะท้อนสถานการณ์ทางสังคมอยู่เพราะก่อนหน้านั้นก็สามสิบกว่าปีเนี่ยมีข่าวลือว่าพระราชอุรสของพระเจ้าสุโธธนาประสูติแล้วก็อัศจรรย์มาก จนโหดทำนายว่าจะมีกติเป็นสองพะครองคารวาสก็จะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิราชตออกพนวดจะได้เป็นาศาสดาเอกในโลกพระบบบอกว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกแล้วก็ท่านก็แสดงสถานะของท่านว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรก็กล่าวต่อไปว่า ก็แต่ท่านผู้มีความเพียรมากคือการพูเล่านะการพูเล่าพระพุทธเจ้าผู้ผู้เกิดตามผู้มียศมากาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าของท่านเป็นอย่างไร้าแต่ท่านผู้เจริญดังข้าพเจ้าขอโอกาสขอท่านได้โปรดบอกาศาสนาธรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านประชิตนั้นถูกข้าพระองค์ถามแล้วได้กล่าวบทอันลึกซึ้งละเอียด ทุกอย่างเป็นเครื่องฆ่าลูกสอนคือตันหาเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ทั้งมวลว่าทมเราได้เกิดแต่เหตุมีเหตุเป็นแดงเกิดพระตาถาคตเจ้าสถิตแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นประมาสมาณะมีปกติตรัสอย่างนี้เมื่อท่านประรชี้แก้ปัญหาแล้วข้าพระองค์นั้นได้บรรลุโสดาปติพน เป็นผู้ปราศจากกิเลสทุลีปราศจากมลทินเพราะได้ฟังคำสอนของพระชินเจ้ารือแน่นอนก็แสดงโดยพระอาสชิแต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระอาสชิสรุปให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอย่างนี้แหละข้าพระองค์ได้ฟังคําของท่านมุนีแล้วได้เห็นธรรมอันสูงสุด จึงย่างลงสู่พระสัธรรมแล้วได้กล่าวคาถานี้ว่าธรรมนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละไม่มียิ่งไปกว่านี้คือโซดาปฏิผลชีพพึงบรรลุนั่นเองพระคุณเจ้าได้แทงตลอดอโศก บ, บทคือพระนิพพานที่เรียกว่าอาโศกัวลวงเวชชังเขมังนะฮะคือว่ามันเป็นอาการของนิพพานก็คืออย่างหนึ่งก็คือไม่โศก อโศกังวิดชังก็คือปราศจากทุลีเกมังก็คือจิตมันกระเสมเป็นอาการเป็นลักษณะของของนิพพานในหลายๆร้อยความหมายลายลร้อ ย, ย, ยคำเนี่ยก็มีคำเหล่านี้อยู่ด้วยพระคุณเจ้าได้แทงตลอดอโศกบทคือพระนิพพานซึ่งข้าพระองค์ไม่ได้เห็นล่วงเลยมาแล้วหลายหมื่นกับ ข้าพเจ้าเที่วแสวงหาธรรมอยู่ได้เที่ยวไปในละที่ผิดประโยชน์ดังข้าพเจ้าบรรลุแล้วบัดนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมามัวประมาทอยู่ข้าพระองค์ท่านอัสวชิให้ยินดีแล้วบรรลุบทอันไม่หวั่นไหวแล้วก็ไปชวนสหายจึงได้กลับไปยังอารามของสหายของข้าพระองค์ผู้ได้รับการพิสาจนดีแล้วถึงพร้อมด้วยอินญาบท เห็นข้าโรองค์แต่ไกลจรึงได้กล่าวคำนี้ว่าท่านมีหน้าตาผ่องใสปรากฏประหนึ่งเป็นมุนีแต่เดบันรู้อมรอมตบทคือพระนิพพานนั้นไม่จุติมาหรือไรตันดูงดงามเป็นเหมือนผู้ฝึกตนมาแล้วรากช้างที่ฝึกทำให้ไม่หวั่นไหวท่านพรามท่านเองสามมันดีแล้วจึงเข้าไป สงบระ ง, งับไปแล้วนี่ก็พระโมคคลานะคือตอนนั้นเขาเรียกว่าโกริตะปริภาชกนะฮะพอเห็นสารบุตรอย่างนั้นก็คือมันปรากฏออกมาข้างนอกเป็นอาการสงบเย็นที่ปรากฏออกมาข้างนอกก็ทาไม่เชื่อมั่นว่าสหายนั้นบรรลุมรรคผลแล้ว ท่านก็กล่าวบอกว่าเราได้บรรลุอมตะบทอันเป็นเครื่องบรรเทาลุกสอนคือความสุขแล้วถึงตัวท่านก็บรรลุอมตะบทนั้นพอเราไปฟ้าพระพุทธเจ้ากันเถิดศานั้นผู้อันข้าพระองค์ให้ศึกษาดีแล้วได้รับคำาาดีละแล้วก็จูงมือพากันเข้ามาอย่างสำนักของพระองค์ ร่างกราบทูลว่าคือหมายความว่าไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าเรื่องสัญชยัยตอนไปพบสัญชัยเนี่ยไม่ได้เล่าก็เล่าเลยมาอยู่ถึงตรงนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ศักยบุตรแม้ข้าพระองค์ทั้งสองขอบวชในสำนักของพระองค์จะขออาศัยคําสั่งสอนของพระองค์แล้วจะเป็นผู้ไม่มี อาสวะอยู่ท่านโกริตะเป็นผู้ประเสริฐ ด, ด้วยด้วยฤทธิ์ก้าพระองค์ถึงที่สุดแห่งปัญญาข้าบระองค์ทั้งสองร่วมกันทาพระาศาสนาให้งดงามก้าพระองค์มีความดำริยังไม่ถึงที่สุดจึงเที่ยวไปในลัทธิผิดเพราะอาศัยทัศนะของพระองค์ ความ น, นิของข้าพระองค์จริงเต็มหมู่ไม้ตั้งอยู่บนแผ่นดินนีดอกบานสะพรั่งตามฤดู ก, กาลส่งกลิ่นหอมอบอวนยังปรวงศาสตร์ยินดีฉันใดค้าแต่พระองค์มหาวีระผู้ศักยบุตรผู้ทรงมีพระยศใหญ่ข้าพระองค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันดำรงอยู่ในาศาสนาของพระองค์แล้วแสวงหา การเวลาเพื่อจะเึงบานนี่ก็เป็นช่วงที่กราบทูลคือถ้าเราดูลำดับความแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงหลังไปอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ท่านก็บรรลุถึงที่สุดแห่งปัญญาแล้วพระโมคกัลานะบรรลุรู้ถึงที่สุดแห่งฤทธิ์แล้วแล้วก็ จะต้องออกไปทำงานอะไรแล้วจึงจะมาเผยแผ่เพราะว่าคือข้อความการเล่าแบบขาถาเนี่ยเป็นการเล่าไม่ค่อยต่อเนื่องข้อความเนี่ยจะไม่ค่อยต่อเนื่องกันช่วงที่เล่ามาทั้งหมดเราจะเห็นว่าผ่านการเวลาเยอะมากผ่านการเวลาเยอะมากแต่ก็หยิบมาเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนเพเน้นประเด็นเน้นประเด็นที่ต้องการจะพูดจะแสดงในที่นั้น คาบโรงแสวงหาดอกไม้คือวิมุตต์วิมุตต์นี่ก็เป็นผลรวมของอริยมรรคแปดประการอริยมรรคแปดประการพอปฏิบัติได้สมบูรณ์เนี่ยมันเกิดเป็นสัมมาญาณเพราะในตัวสัมมาญาณเนี่ยคือตัวอริยมรรคจริงๆส่วนอีกแปดข้อเนี่ยเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เกิด ปูมั ก, ก็คือสมยัยญาตพอสมยัยญาติปักจิตก็วีมุมดคล้ายๆสว่างปักมืดหายปุ๊บมันก็ต่อกันไปเพราะในมีมุดเนี่ยมันจึงเป็นแกนเรียกว่ามีวิมุดเป็นแกนแต่ว่าการพูดในเรื่องเหล่านี้ก็อีกแหละไม่แน่ว่าบางทีนี่จะสอนระดับใดเพราะมันก็เป็นแกนด้วยกันแหละ แกะกากระต้นไม้ต้นหนึ่งพอเราถากเลยเนื้อเข้าไปก็ถึงแก่นแกนข้างนอกแก่นกลางกลางแกนข้างในแกนตรงกลางสุดมันก็ข้าไปเป็นแก่นได้ยกันเราไปเสียความเป็นแก่นไม่ได้ปฏิการแสดงแก่นก็คือแกนห้าศีลสาระแก่นคือศีลสมาธิสาระแก่นคือสมาธิ ปัญญาสาระแก่นคือปัญญาเราจะเห็นว่าพวกนี้ก็เป็นเหตุก็คืออะไรบ้าคเมืองแปประการแล้วก็แก่นคือวิมุตต์อันนี้จะเป็นผลคือนิโรธนะแก่นคือวิมุตติยาณทัศนาสาระแต่ทีนี้มันระหว่างวิมุตต์กับวิมุตติยาทัศนาสาระนี่มันก็ต่อกันเหมือนกันห ม, มายความว่าหลุดพ้นเพราะลุก รู้ปับบระหลุดพน้นจิตหลุดพ้นก็รู้ทันทีบรลุดพ้นแล้วเหมือนกรเราปวดก็รู้ทันทีว่าหายปวดแล้วนี่ก็คืออาการที่ต่อเนื่องกันแต่มันเป็นเรื่องคนละขนาดกันคนละขนาดการองธรรมจึงกลายเป็นเป็นเป็นเป็นห้าข้อแทนที่จะเป็นสามข้อก็สามข้อก็จะสอดจะพจริงๆสามข้อก็เกิดห้าข้อนั่นแหละ แสดงแค่สามข้อก็ได้แสดงแค่สามข้อก็ได้ยังนี้ยังอะไรล่ะสัพปะปาปัสสะกระนางการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูป้ประสมปรดาการจังกิตของตนทำกุศลให้สมบูรณ์ไชจิตะประโยชน์รันังการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วเอตังมุทานศสาสนังสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย กฤตยกวาการทำจิตได้ผองแผ่ก็ทำด้วยอะไรปัญญายะปริสุทจิติบุคคลจะปริสุทธิดหมดจดได้โดยปัญญานันก็แสดงให้เห็นว่าเป็นปริยายในการเทศในการแสดงแสดงยาวเหยียดไปจนถึงตอนปลายสุดก็ได้แต่ว่าปลายสุดนั้นไม่ต้องปฏิบัติเพราะมันเป็นผลสำนองความอิ่มเนี่ยเราก็ไม่ต้องทาอะไรมัน อิ่มก็คืออิ่มเราก็ ท, กทำหน้าที่รับประทานไปจนกว่าจะอิ่มเท่านั้นเองและท่านบอกว่าดอกไม้คือวิมุตตเนี่ยหมายความว่ามันเป็นอาการเบ่งบานเป็นอาการที่จิตใจมันแช่มชื่นเบิกบานบีติประโมทอันเป็นเครื่องหลุดพ้นจากพบสงสาร มาความถ้าถึงตรงนี้ก็จบกันเลิกการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจะยังสัตว์ตั้งปวงให้ยินดีด้วยการได้ดอกไม้คือวิมุตติข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมีพระจักรสเว้นพระมามุนีเจ้าแล้วตลอดทุกพุทธเขตนี้ไม่มีใครเสมอด้วยเสมอด้วยปัญญาแห่งข้าพระองค์ ผู้เป็นบุตรของพระองค์เลยคือหมายความว่าตลอดพุทธเขตเนี่ยพุทธเขตก็คือในพระพุทธศาสนานี้หรือว่าในจริงก็ในโลกนี้นะในโลกนี้ยกเว้นพระองค์ยกเว้นพระพุทธเจ้าไม่มีใครมีปัญญาเสมอกระทาน ซึ่งก็เป็นความจริงอย่างที่เล่าไว้ว่าสามารถที่จะพระพุทธเจ้าทรงมานามอนุวัอตอโนมาทัศสีก็ได้ยกย่องไว้แล้วว่าเออคนเนี้สามารถจะนับเมล็ดทรายในคงคานาทีได้จนเมล็ดทรายหมดอะย่างนับไม่หมดยังยังยังนับได้อยู่แต่ว่าไม่มีเมล็ดทรายให้นับเท่า น, นั้นเองแล้วท่านก็ าทูลพระพุทธเจ้าถึงเรื่องบริวารของท่านวสิษฐ์และบริษัทของพระองค์พระองค์ทรงแนะนำดีแล้วให้ศึกษาดีแล้วฝึกแล้วในอุบายเครื่องฝึกจิตอันสูงสุดห้อมล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อท่านเหล่านั้นเพ่งฌานยินดีแล้วในฌานเป็นนักปรา มีจิตสงบอันนี้เป็นภาพรวมของสถาบันสงยุคพุทธกาลนะฮะก็ตั้งมั่นเป็นมุนีถึงพร้อมด้วยความเป็นมุนีห้อมร้อมรงอยู่ทุกเมื่อท่านเหล่านั้นมีความปรารถนาน้อยมีปัญญาสูงเป็นนักปรากมีอาหารน้อยไม่โลเลยินดีทั้งลาบและความเสื่อมลบ หอมล้อมพระงอยู่นั่นเป็นการอธิบายภาพรวมคือพระอรหันตส า, าวกของพระพุทธมีพระภาคเจ้าว่าจะมีลักษณะอย่างนั้นพระเจา้าพรองค์ใดก็ภิกษุทั้งหลายที่จริงก็พุทธบริษัททั้งหลายที่บรรลุมรผลว่าจะมีลักษณะนัเดียวกันเพราะว่าได้เดินไปตามเส้นทางของพระพุทธเจ้า เรื่องนี้มันจึงเป็นการสะท้อนธรรมะจากสิ่งที่สัมผัสหมายความว่าตั้งแต่โน้นแหละตั้งแต่พระนุมาทัศนสีสมมาสมพุทธเจ้าสรพังค้าาบทศรสิรวัฒนาะคือหัมบดีะจะมาสุรุจิฤาษีจนมาถึงพระษาลิบุตรมาถึงภาษาชี้มาถึงพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการพูดเรื่องธรรมะ ที่เป็นผลหมายความว่าธรรมะเกิดขึ้นแล้วภายในจิตของท่านในขณะนั้นน่ในขณะที่พูดเนี่ยธรรมะมันปรากฏแล้วผลท้าในแง่ของกรรมก็คือมีเจตนาแล้วมีการกระทาแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาแล้วแล้วจะพบถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมคือหมายความว่า เป็นแบบความดีจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยความดีก็ส่งไปถึงนิพพานความดีก็ทําหน้าที่ส่งเนี่ยแต่ว่าเขาเองเป็นโลกิยะเึงเป็นโลกิยาก็ต้องทําหน้าที่ส่งกดดึงต่อไปในโลกนี้ส่วนผู้ได้รับการส่งถึงที่สุดก็บรรลุมรรคผลนิพพานไปซึ่งราวในเถระคถาก็ดีเทรีคาถาก็ดีนะฮะ จริงแล้วเป็นธรรมะที่สะท้อนจากตัวตนของบุคคลหรือคิดทำพูดนะฮะเป็นกระบวนคิดทำพูดจากจิตที่ประกอบด้วยปัญญาบริสุทธิ์กรุณาและคำแต่ละคำส่วนใหญ่แล้วก็รอบรู้เข้าใจกันดีอยู่อยู่แล้วนอกจากว่าจะไปเจอเรื่องอะไรที่ พิเศษออกไปก็จะมีการอธิบายขยายความไปเท่าที่เห็นสมควรต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมาวิยาลศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมยังมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี